แมวสามารถทำสติให้เกิดขึ้นได้ทีละขณะทีละษณะโดยการรู้ทันพฤติกรรมของจิตน่ะเหลือรู้ว่าเหลอคิดรู้ว่าคิดตั้งท่ารู้ว่าตั้งท่าเพ่งรู้ว่าเพ่งน้อมใจเขาหาความสงบรู้ว่าน้อมไปจงใจปฏิบัติรู้ว่าจงใจอะไรรู้ทันตัวเองไปเรื่อยสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์เฉยๆรู้ว่าเฉยๆสวดรู้ว่าโสวดมีความโลภรู้ว่าโลภรู้ไปเรื่อย อะไเกิดขึ้นพยายามรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตเราหนีไปทางตารู้จากไหมจิตหนีทางตานะจิตหนีทางหูจมูกลิ้นกายจิตหนีทางใจรู้จากหรือไม่หนีไ่ในความคิดพอต้องหนีแว บ, บรู้หนีแวบรู้นี่ฝึกให้เรามีสติที่จริงแล้วการทําสมถะเนี่ยทําสมถะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทาไปเพื่อให้มีสตินะอย่างเมื่อก่อน หลวงพ่อไปฝึกในวัดป่าในคร mm ูบาอาจารย์สอนพุโทโธพุโทโธพุทโธท่านไม่ได้สอนพุทโธให้เราท่องเหมือนนกแก้วนกบุนทองท่านสอนละเอียดบอกพุทโธเป็นชื่อของจิตนะพุทธคืจิตธรรมชาติรู้เราท่องพุทโธเนี่ยเพื่อเราจะมารู้ทันใจตัวเองเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธใจเราอยู่กับพุทโธสติเราเริรู้พุทโธเราก็รู้ทันว่ารู้พุทโธอยู่พุทโธพุทโธใจหนีที่อื่นรู้ทันใจที่หนีไปที่อื่นนี่เรียกว่าฝึกสตินะ ฝึกให้เรามีสติเพื่อจะมารู้ทันสภาวะธรรมใจอยู่กับพุทโธก็รู้ใจหนีไปก็รู้แม้พุทโธก็จะมารู้ใจนะหลวงพ่อบุญจันทร์หลวงพ่อบุญจันทร์ว่าถ้ำผาพึ่งสอนภาวนาแทนที่จะบอกพุทโธอย่างเดียวบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจคําว่าพุทโธไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นความคิดเท่านั้นเป็นเหยื่อลอบเพื่อเราจะมารู้จักพุทโธตัวจริงจิตใจของเราใจเราหนีไปที่อื่นในชีวิตจริงๆ เห็นคนเดินมาเห็นลุงธนาเดินมามองแวบออกไปที่ลุงธนาอู้แก่จังนะเห็นโยเดินมาอุ้มันรอจังมันจะรู้ทันไปเองนี่คือสติจากการที่เราคุณโทถแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆริงตอนตุลาหูจมูกนิ่งใจกระพริบลมหากเจริญสติในชีวิตประจำวันส่วนกลางคืนแมวก็เดินจงกรมทําสมาธิทำปัสสตินั่ลแหละ เดินตรงกลมเท้ากระทบพื้นมีสติรู้ทันว่าเท้ากระทบรู้ทันการกระทบไปเรื่อยมีสติระลึกรู้ไปเดินไปเดินไปจิตนี้ไปที่อื่นมีสติรู้ทันว่าหีในที่อื่นแล้วเดินไปเดินไปจิตเริ่มมีความสุขมีความสุครู้ทันว่ามีความสุขตัวเบากายเบาใจเบารู้ทันไปเรื่อยไม่รู้ทันใจนะไม่ใช่แค่รู้เท้าเท้าเป็นแค่เหยื่อเป็นคำว่าพุทโธนั่นแหละเป็นคือสมถะ มาเป็นเหยื่อล่อไว้ก่อนตั้งล่อไว้ก่อนทาไปเพื่อจะมารู้เท่าทันจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตนะเพื่อจะมารู้ทนันเหมือนกันท่เดินเดินแล้วมีพิจิตรื่องอื่นก็มีเดินแล้วหนักหนักก็มีหึดหนักก็มีเดินแล้วเบาๆบใจเบากายเบาก็มีแต่และวันแต่ละขณะแต่ละเวลาไม่เหมือนกันหน้าที่ของเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่วันนี้เดินแล้วจิตหนักหาทางแก้นะหาทางแก่จะยิ่งหงผิด ปฏิบัติทำไม่ใช่นั้งแก้จำวุฒได้ไหมนี่นองวุฒิใช่ไหมจำได้ไหมจำวุฒิได้ใช่ไหมวุฒิเนี่ยเมื่ออนนี้ไปเจ็ดข้อนิ้วนะอุสลาอนอนได้ดีสอนข้อนิ้วเข้าเข้าไปจิตวุฒนี่ตื่นขึ้นมาพอวุฒจิตตื่นขึ้นมาแล้วไปเจอหลวงพ่อที่ศาลัลูกชิ้นโอ้โหวุฒททำได้ดีมากนะข้าเขไปคนส่วนใหญ่เค้าแลหลับนะวุฒิเป็นเาแล้วมันตื่น เลราคนสใหญ่ไปเอาจริงอกจังกัการเคาะมากเคาะป๊อกป๊อกป๊อกจ้ำนๆเคาะหัวตัวเองป๊อกป๊อก๊อโอ้ยทำกรรมฐานอย่างนี้คนอื่นมาเห็นเลยเขาไม่เอาหรอกการสนทนาพุทธน่ะทนกรรมฐานว่าเลือดอะไรเขกหัวตัวเองป๊อกป๊อกป๊อัเงแรงๆด้วยส่วนอุศนี้ก็เหมือนกันเลยเล่นจริงจังมากทาไมมันไม่รู้ทาทำไมมันไม่สงบนะเาใหญ่ดะ้ีนิ้วไม่รอดส่วนเจ้าอุศปุติชนนี่แต่สบายบาย แค่สักแต่ละลึกรู้สักแต่รู้รู้ว่าใจอยู่ที่นิ้วก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้ใจไปทําอะไรรู้ทันไปเรื่อยเม่อเข้าฝึกอย่างนี้จิตเข้าตื่นคือเขารู้เข้าทันจิตใจตัวเองได้พนะอไปเจออุ้ยโอ้โหทำได้ดีมากทำสอบไปอย่าเปลี่ยนกรรมฐานนะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลี่ยนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เคาะของเราแล้วก็ทําไปรู้ฝึกไปอย่างเนี้ยห้นะามเปลี่ยนเแต่แล้วอุ้ยหายหักตูนไปเลยนะมาเจอเพิ่งมาไม่นานนี้มา มาเลาบอกโอดการกรรมฐานมันเสื่อมเคาะๆไปแล้วจิตมันเสื่อมไปนี่นะฮะทางแก้มันเป็นผีๆแก้ไม่ตกหรอกบอก อ, อ๋อแก้ยังไงก็ไม่ตกหรอกนะที่จริงเนี่ยเคาะไปเนี่ยนะเคาะกระทบกระทบไปจิตตื่นขึ้นมาแล้วต่อมากระทบอยู่อย่างเก่าเนี่ยจิตเสื่อมจิตแสดงธรรมะให้ดูแล้วว่าจิตเป็นของที่บังกลับไม่ได้จเจริญได้ก็เสื่อมได้แต่ว่าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องพอจเจริญแล้วเราก็ดีใจใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่ทําอย่างเดิมมันเสื่อมได้ดีเสื่อมครา้นี้ไม่พอใจแล้วหาทางแก้ไขจะไม่ให้เสื่อมนี่กําลังทําอะไรเหมือนคนที่หาทางจะไม่ตายอะ่ะเกิดแล้วจะไม่ตายอะ่ะพ อ, พอมันแก่ลงตีมกาขึ้นพุ่งทายังไงนะทําอะไรไม่ได้ก็ไปหลอกดึงออกะแก้จากข้งางในไม่ได้แล้วจิตกเหมือนกันมันจเจริญได้ก็เสื่อมได้ถ้าเข้าใจธรรมาชาติตรงนี้ปั๊บนะไม่ยึดมั่นในความเสื่อมจิตทุกผ่านไปเลยง่ายนิดเดียว นี่พอปัญเตื่นตกใจตกใจหาทางแก้กรรมฐ า, านเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งไปสิพอยิ่งปลุงแทนที่จะรู้ก็เลยไม่ตื่นเลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเน่ยจิตก็ต้องเือดรู้จักหลวงตามหาบัวไหมหรือเป็นเพื่อนกับท่านหรือรู้จักคันแค่เคยเห็ น, นคเคยเห็ น, นบอกว่ารู้จักเลย หลวงตานะะท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นอะไรนี่เรื่องของท่านนะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถ้าท่านเป็นอยู่จะเดือดร้อนนะท่านบอกว่าตอนที่ท่านอาจารย์มั่นสิ้นแล้วเนี่ยนะท่านไม่มีอาจารย์แนะ้ช่วยตัวเองท่านก็ไปปฏิบัติอยู่เป็นดอยธรรมเทเดียนะจิตของท่านยังเป็นผู้รู้รู้ตัวอยู่ได้ตลอดเลยท่านก็พยายามรักษาความรู้สึกตัวนี่ไปรักษาตัวรู้ไว้รู้ตัวไปเรื่อยไม่ให้เสือไม่ให้ลง่นะ จิตใจไม่เศ้ามองเลยรู้หมดอะไรกิเลสอะไรมาเห็นหมดเลยรู้แล้วดับไปหมดท่านก็พยายามจะรักษาจิตผู้รู้ให้มันอยู่ตลอดไปวันหนึ่งท่านเริ่สังเกตว่าจิตผู้รู้มันไม่เที่ยงมันหมองมองได้พยายามทํายังไงมันก็ยังเสื่อมได้พอรู้ว่ามันเสื่อมได้เนี่ยหาทางแก้อยังไงก็ไม่สําเร็จนะวันหนึ่งก็เฉลียวใจขึ้นมาโอ้จิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยบังคับมันไม่ได้เนี่ย พอ เ, เห็นว่าจิตนึ็นของบังคับไม่ได้เลิกคิดที่จะบังคับมันเลิกคิดเพื่อจะให้มันดีตลอดมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันต่างหากแหละท่านปล่อยวางจิตแนละท่านบอกว่าตอนนั้นท่านหลุดพ้นเลยเพราะความหลุดพ้นเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากการที่เราฝึกจิตของเราให้ดีดีจนเทีย่ยงดีถาวรไม่ใช่แต่เกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นความจริงของธรรมชาติของขันนะ่ะขันอ้าทั้งหมดรวมทั้งจิตเนะี่ยอยู่ในวิญญาณขันเนี่ย มันจเจริญรัเสือเอเส่อมเจริญรัเสื่อมพรเห็นความจิงแล้ปล่อยวางแล้วถึงจะหลุดพ้นความหลุดพ้นเกิดจากความปล่อยวางความหลุดพ้นไม่ใช่เกิดจากการทําสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงแมวสังเกตไหม ว, ว่าส่วนลึกของแมวเนี่อยากให้จิตมันดีเหมือนกันทุกวันเลยอก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามันดีเที่ยงคงที่นะดีได้คงที่แล้วเราจะรู้ทำพยายามจะให้มันดีทุกวัน แต่ว่าถ้ามันดีตลอ ด, ดยวาวๆวันนึงเราจะรู้ทำไม่รู้หรอกคนละเรื่องเลยถ้าคืนมันดีตลอดนี่ซวยตายเลยต้องใช้คำนี้เพราะเราจะเกิดความหลงผิดเมันจิตนี้เป็นตัวตนของเราบังคับได้แต่งเราได้ตามใจชอบแต่จิตมันไม่ยอมแมวหรอกมันก็จะเป็นไปตามที่มันเป็นคือเะริญแล้วเสือเอเเส่อมเจรแล้วเสื่อมผู้ปฏิบัติก็ตกใจเพราะเสื่อมแล้วตกใจดิ้นใหญ่ดิ้นพลาดพาดพาดหาทางแก้ใหญ่แก้ไปแก้มามันดีขึ้นมาอีกโธ้ฉันแก้เก่ง ควจริงไม่ต้องแก้มันก็ดีเองเลยเพราะว่าไอ้เสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอมันดีพูดรักษารักษารัก ษ, ษายังไงก็เสื่อมอีกต้องเป็นของเสื่อมนะเพราะฉะนั้นจับหลักให้ดีทำความเข้าใจให้ดีเราจะเฝ้ารู้ไปแต่ลาวันไปมิตเจริญรู้ว่าจเจริญเจริญแล้วเกิดภูมิใจรู้ว่าภูมิใจนะอิเลี่หลอกคอลนะวันนี้จิตเสื่อมรู้ว่าเสื่อมเสื่อมแล้วเต้อามองว่าถูกหลออีกแล ทำไปเรื่อยเยจะเห็นแต่เจริญ็ค่งเรือเจริญรุ่งเรืองถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจเรายอมรับความจริงว่าขันท่าโดยเพพาะตัวจิตเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้หรอกนั้นนหะคือการเข้าใจธรรมะไปเกิดขึ้นมาทําทําเข้าใจตรงนี้นะตรงนี้ตัวสัมมาทิฏฐิให้เห็นสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจทรกปังอันตา่างรวมทั้งจิตของเราด้วย งั้นแมวเดินตจงกรมไปทํามาเดินไปจิตเจริญก็เดินจิตเสริมก็เดินเหือหลวงพ่อชาสอนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เดียดก็ปฏิบัติแต่บางคนเจ้าเล่ห์พอได้ยินหลวงพ่อสอนบอกว่าจิตเจริญแล้วเสืริมเจริญแล้วเสริมนะก็เดินตรงกลมสามวันเจริญละตอนนี้ไม่เดินสอนมันไปเที่ยวกันเดี๋ยวมันต้องเสริมนี่ฉันจะดูว่ามันจะเสื่อมยังไงอย่างงี้ไม่ได้กินหรอกหรือเพราะว่าจิตนี่มันจะเกิดความสําคัญผิดเขาพีกว่าถ้าเราทํามันก็เจริญ มันเสื่อมเพราะเราไม่ทําต่างหากแหละเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ทําให้สม่าเสมอนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจะเดินจะยืนจะนั่งอะไรก็ได้แหละเราก็คอยรู้ทันมันไปเรื่อยมันมีความสุขมันมีความทุกข์มันเจริญมันเสื่อมรู้มันไปเรื่อยๆนะเจริญจะเสื่อมเป็นธรรมะที่เข้าเทียมกันนะถ้าทําความเข้าใจตรงนี้ได้เราเรียกว่าเราเรียนสัมมาทิฏฐิในเชิงปริยัตนะอริยัมักมีองค์แปดที่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ้วยนะ หมายถึงในเชิงปริยัติปริยัติมักมีองศาในเชิงปฏิบัติเราเริ่มที่สัมมาสติมีสติแลึกรู้สภาพธรรมไปเลยสัมมาตัวอื่นๆมันมีเองแต่ก่อนปฏิบัติเนี่ยเราฟังที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกว่าฟังปริยัติเราเริ่มที่ตัวสัมมาทิฏฐิทําความเข้าใจให้ตรงก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเป็นแบบมวยวัดกันดวนลงไปชกมันทุกอย่างที่ฝางหน้า โชกไปชกไปแล้วจนใจแบงแบงไม่มีอะไรให้ชคนนะเพื่อเดินกวานนี้จะเอาอะไรมาดูดีเนี่ยดูไปดูมาไม่มีอะไรเลยตายแล้วฉันจะปฏิบัติยังไงเป็ น, นีิเข้าใจไหมตรงนี้สําคัญนะเนี่ยมิฉนั่นจะเหนื่อยเยอะจับหลักให้ดีมันไม่ใช่เรื่องนั่งแกไ้ไม่เกี่ยวกับการนั่งแก้อารมเ์หนึ่งิดมีลาทาแก้ยังไงปิดมีโทรศัพท์ิดแก้ยังไง น, นั้นทําก็ให้มีสมถะ พอจิตใจสงบเป็นสมถะแล้วเนี่ยต้นมันมีสติแล้วอยู่จิตรู้อยู่ที่ความสงบ ก, ก็รู้ทันจิตไม่สงบแล้วก็รู้ทันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยนั่นมาเดินมิปัตสนาต่อถ้าเราแก้ไปเรวยเรื่องเป็นสมถะรวดไม่ได้เดินมิปัตสนาเอาที่นั่งข้างแนวน่ะใ น, นจองพบอะไรไว้รู้ไหมคิดดีหรือคิดร้ายละ่ะคิดธรรมะ อะไรนะอ้อคิดธรรมะนะคิดธรรมะก็เป็นกุโลเนะใส่ช่องสุขติ <c oughs> อ้าวแล้วนี่ละ่ะนี้ไม่ได้คิดธรรมะนี่อืม <c oughs> ตามโยไปีกหนึ่งค <c oughs> ะแนนเอาแล้วโยลา <c oughs> ัวก็ตามเอาอีกแ้บนึง่ง <c oughs> ทำอีกแล้วรู้ไหม เออที่จริงไม่ใช่หลังจากเผลอก็มาทําตรงนี้ไม่ใช่มีสองงานเผลอเราทําไม่ใช่ตอนที่เผลอเนี่ยนะเป็นอักูศนรู้ว่าเผลอเนี่ยแทรกไว้บางเฉียบตรงกลางเนี่ยแทรกนิดเดียวตรงนั้นน่าเกิดอักูสแล้วตัจากนั้นเกิดอักูศนอีกคือทาอยากทำนะแล้วทําะตรงนี้เป็นอกูศนอีกแล้วเพราะงั้นที่โยบอกว่าพอเผลอไปเขาไม่เผลาเขาทำมันค้ายไปตัวหนึ่งตรงที่รู้ว่าเผลอตอนนั้นปลูกนะฮะแล้วทําอีกทําแล้วรู้ว่าทำทุ่งปลูกอีกแล้ว นั้นทำที่ปูกันให้เกิดบ่อยๆไม่ใช่ให้เกิดยาวๆนะให้เกิดบ่อยๆมันเกิดยาวไม่ได้มันเกิดทีละขนาดเท่านั้นง่ายแมวนี้ไปไหนสงสัยว่าสงสัยนะเอ่อคำถาม ไม่เมทกันนะเมือนน่อก่อนนี้มันตั้งท่าแบบเขาเป็นเอาตายอย่างนี้ตั้งท่าได้คลาสสิกขึ้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แนบเนียนนะดีขึ้นอะ่ะทุกน้อยลงใช่ไหม <c oughs> รู้สึกเหมว่ามันทุกน้อยลงแล้วทำไมตั้งท่าปฏิบัติแล้ทุกเยอะ <c oughs> ในคําที่เขาสอนเ่ยนะเรามีตัณหาเราอยากปฏิบัติแล้วก็เอาสติไปกำหนด อ, อารมณ์เราก็ไปตั้งอะไรขึ้นมาหนึ่งวมันนั่งจ้องเหมือนไหมความทุกข์ก็เกิดขึ้นมา ว, ว่าอยากปฏิบัติมือถ้าความอยากรุนแรงก็ทุกรุนแรงเดี๋ยวนี้ความอยากสักจะบางลงนะทุกน้อยๆยหน่อยไปสังเหตุไปนะถ้าสิกขึ้นเยอนะแล้วอย่างโยมันก็ไม่แรงเท่าเก่าดีขึ้นแล้วไม่ดีแล้วประชมเรื่ใจแตกแต่หมอไทยนี่นะหัวร อ, อดแบบไม่กเกรงใจใครเลยดู พอโยมสูกว่าน ะ, ะนเวลืัฟันขาวเต็มเลยไงแมวได้คะแนนที่ช่องไหนนะใน้ได้ช่องเหลือหนึ่งคะแนนเมื่อกี้ช่องสงสยัยที่สงสัยนี่ตัวอะไรรู้ไหมพบกลุ่มไหนมันเป็นมูฮะ่นได้ช่องตัดเหมือนกัน <c oughs> มีวันหนึ่งให้เล่นเกมเนี้ยนะเล่นเลนไปอ้าวตัวอะไร เลดครับเนี่ยเทวดาค่ะเนี่ยหมาค่ะโอ้โลงละเอียดบวกตอนไม่แค่สัตว์เท่านั้นนี่ลงไปล่ำลงสับสีชี้ด้วยไงยใส่แล้วดูดูออกไหมเนี่ยแค่เนี่ยแมวฝึกไปเรยเยนี่เริ่มทำแล้วรู้ไหมเริ่มตั่รวมเข้ามานะ ดีนะตรงนี้ดีมากเลยรู้สึกตัวไปตามธรรมชาตินี่สงสัยก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ทันไปเรื่อยๆสงสัยมันดีอย่างไรดูยัง <Okay. S 1> ไม่ออกเลยเราตั้งท่าเราก็ไปดูของแมวเนี่ยไปดูตอนตั้งท่าไว้นะตัวนี้ตัวล้ายเลยพอเริ่มปฏิ <c oughs> ตัติตอนจะเริ่มะ พอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจะมีการขยับติดตัวเองนะคุ๊กคบปิ๊เล็กนิดหนึ่งขยับให้มันได้ที่ก่อนเหมือนแต่งตัวเสร็จสมนุนสมนี้สัสสสสน่อยใหนเรียบร้อยก่อนอยิ้ม รวังนิดหนึ่งอย่างการรู้กายกับการเอาสติตรึงไว้กับกายเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเรารู้ว่ากายนั่งอยู่กายยืนกายเดินกายนอนนี่รู้ไปเรื่อยนะแต่ไม่ใช่เรากลัวว่าเราจะหลงเพราะเรากลัวจะหลงเราพยายามเอาสติตรึงไว้กายกระดุกระดิกนี่นะจะรู้ไปหมดเลยรู้แต่รู้แล้วจะทำท่าอย่างนี้นะจะเทียบให้ออกเป็นรู้ประธรรมนะนจะทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่หลงอยู่ เพราะงั้นใจเราที่เป็นผู้ดู ผ, ดผู้รู้ไป็นสบายๆเห็นนั่งกายกระดูกกระดิกเคลื่อนไหวไปแต่ไม่ใช่ตรึงอยู่ที่กายนะที่พี่โยไปทําำนะตรึงไหมกลัวกลัวจะหลงเพราะสังเกตแล้วเวลาหลงเนี่ยนะกายใจายหายไปหมดเพราะงั้นวิธีแก้จะไม่ให้หลงก็คือต้องมีกายเอาไว้ไม่เข้าใจผิดนะพยายามจะมีกายไว้ตลอดเข้าใจผิดโยก็จะทําอยู่เนี่ยเทียบข้างในนะเทียบเทบสภาวะของจิตตอนนี้ออกเนี้ย พยายามสำรวจไม่ให้มันหายนะจังเลอให้มันอยู่ตลอดนะอย่างเงี้ก็ผิดกำลังทําอยู่ทําอยู่เราไม่รู้ว่าทําอยู่นี่หลงอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเรารู้กายไปเะกระดุกกระดิกนะนั่นเมื่อยเมื่อยพยายาแอบมันสบายรู้ว่าสบายนั่งกระดูกดิกไปรู้สึกตัวไปนั่งให้สบายาเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วพยับอีกขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆต้องมีสติก็ ร, รู้ทันไม่รู้จะรู้อะไรก็รู้กายไว้ ถ้ามีกําลังก็รู้จิตรู้จิตไม่ไหวก็มารู้กายรู้กายไม่ไหวทําสมธาธทําสมธาธิไม่ไหวก็ไม่ได้ปฏิบัติละหมดแล้วเนีย่ยเป็นทําบาป <c oughs> เออนะรู้สึกไหมนะไม่ต้องกลัวจะกลัวอะไรหลายปีแล้วนะ โมดีนะดีที่เห็นนะดีที่รู้ทันนะไม่ใช่ดีที่ทำอะไรนะดีที่รู้ทันเห็นที่อยากปฏิบัติก็ทุกแล้วเหมือนในตําราบอกไว้เทียบเลยอยากปฏิบัติจะทุกแล้วเพราะงั้นพะี่โยทำมันดีขึ้นแล้วนะทําต่อไปตั้งใจรู้ไหม ตั้งใจมากไปหมอภัยก็สนใจเพื่อนบ้านเยอะไปรู้ไหมพวงใหญ่ประชาชนคอยดูตามใครก็จะเป็นยังไงใครสองสองพวงใหญ่ใครมีอะไรจะถามเชิญ ต้องฟังหลายๆทีถึงรู้เรื่องนะจิ้แบบนี้ง่ายๆก็เยอะยสบายถ้าธรรมชาติมันเกิดดับอยู่แล้วนะเราไปรู้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะในเบื้องต้นเราก็รู้ว่ามันเกิดดับไปพอนะฝึกมากเข้ามากเข้าเราไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่รู้เกิดดับหรอกเราจะรู้อริยสัจเกิดดับนั้วมันเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เห็นอารมณ์มันเกิดดับไป ต่อไปเราฝึกมากเข้ามากเข้าเราจะเห็นอริยสัจคือจะรู้ว่าลําพังอารมณ์เกิดดับนี่เราไม่ทุกข์หรอกถ้าเรามีความอยากเข้าไปแทรกแต่งเม่อไร น, นะจิตเราทยานตามอารมณ์เมื่อไรเราจะทุกข์เริ่มจะไม่เห็นอริยสัจการบรรลุธรรมนี่เกิดจากการเห็นอริยสัจไม่ใช่แค่เห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปนั่งจ้องเกิดดับอยู่ข้างนอกนะ ร, รู้เข้ามาที่ใจเราใจเราเข้าไปแทรกแต่งอารมณ์ ชอบไปเกาะใจเราไหลไปทางตาหูจมูกลิน้นกายใจไหลไปเกาะอะไรก็ดีไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยลเราเฝ้ารู้ไปอยากปฏิบัติเพื่นมาตอนเช้านึกถึงการปฏิบัติปุ๊บใจเกาะปุ๊บแน่นเลยเนี่ยเห็นแลเห็นแล้วปุ๊เกิดมาแนละ้วฉะนั้นเรียนศาสนาพุทธลเลยเจริญสติไปมา ก, มา ก, มากๆเรจะเห็นอนธะิษฐ า, านเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลิกอยาก เราก็ปล่อยให้ขันห้า <c oughs> เขาเป็นขันห้าไปเป็นธรรมชาติไปไม่เข้าไปอยากกับเขามันไปจบตรงนั้นนะแนวไม่ไปยืดหรอกตรงที่ปล่อยมันไม่เข้าไปแทรกแตงมันทุกวันนี้พยายามแทรกแต่งนะเช่นพยายามปฏิบัติแทรกแตงจิตจะให้มันดีตลอดอย่างนี้ก็ทุกเราเรียนไปมากเข้ามากเข้าก็าจะรู้ว่าโอ้แทรกแต่งไม่ได้เขาเป็นอ น, นัตตาบังคับเขาไม่ได้พอรู้ใจใจเรารู้ความจริ ง, งนี้ก็วาง ว่าก็พ้นทุกได้ได้แต่ต้องฝุดนานเนาะใหม่ๆเวลาจะทำงานคิดก็คิดไปเลยนะไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าถ้าไม่ทำงานนะเราไปรู้ทัน ที่จริงศาสนาพุทธเนี่ยเราเรียนเพื่อจะรู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงความไม่ทุกข์เกิดได้ยังไงเราเรียนเอาแค่นั้นเองเราไม่ได้เรียนเอาองค์ความรู้อะไรที่มากมายเพราะฉะนั้นตัวเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่ตัวองค์ความรู้เราสงสัยแล้วเราไปคิดๆเราไปถามๆไปอ่านๆมันจะได้ตัวองค์ความรู้แต่เราไม่เข้าใจว่าความทุก<น>ข์เกิดได้ยังไงอย่างเราสงสัยเราจะเห็นในความสงสัยพอเราไปดูเขาก็เกิดดับให้ดูอ๋อธรรมะอันนี้ไม่เที่ยงนะธรรมะนี้เกิดแล้วดับอารมณ์อื่นๆเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน ในที่สุดก็รู้ความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้สสาสงฆ์แต่บางเห็นแค่นี้เองเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่เราเป็นเจ้าของบังคับได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ฝึกไม่ใช่เรียนเพื่อให้รู้รต่าอะรบิดบกพูดธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าหนักหนักอยู่ในใจไม่ใช่มุ่งอันนั้นเพราะฉะนั้นบางคนสงสัยเอย๊พอสงสัยให้มันมให้ดูสงสัยยังไม่ได้คําตอบแล้วจะได้ความรู้ยังไง ก็จะได้ความรู้ว่าความสงสัยไม่เที่ยงอรอกอารมณ์อิ่นๆก็เหมือนกันเราเรียนเอาแค่นี้เองสับปะของศาสนาพุทเล็กนิดเดียวเรียนให้รู้ว่าผู้เกิดได้ยังไงทําไงมันไม่ทุกไม่ใช่เรียนเพื่อจะอธิบายธรรมะได้เยอะแยะใช่มองเห็นได้ใช่ไหมอย่างพอคิดอยู่เรารู้ว่าคิดก็ขาดพอสงสัยเรารู้ว่าสงสัยความสงสัยกนดับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเขาจะเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขาในที่สุดเราเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปทุกอย่างทนะั้ง ร, งรูปเสียงสินลดโภตาภะธรรม า, รามิได้เกิดกก่ดับมาเข้ามาเข้าซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันอีกนะเป็นเดือนเป็นปีซ้ำๆ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับการที่เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วต้องดับนั่นแหคืออุนันธรรมของพระโสดาบัน พระ ส, ะสดาบันไม่ใช่แต่ว่าอธิบายพระใจพิจดกได้หมดไม่ใช่ตอนที่พระโกลทัญยะได้โสดานะฟังธรรมจากเสร็จนะท่านก็บอกว่าพระดวงพระโกทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมนะได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวพระโกลทัญญ ะ, ะรรได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นตรงนี้ต่างหากไม่ใช่เห็นอะไรพิลึกพิลึกเยอะแยะไม่ใช่ เห็นตรงนี้แล้วว่าทุกอย่างเกิดระดับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็วางมัน่ของเกิดดับนี่ฉันจะไปแบบให้ทำไมก็ปล่อยวางปล่อยวางก็ไม่ปลุกนะมันศาสนาพุทธหรือไม่ใช่